วันที่จันทรคติในท่านเอาขึ้นแรลมวันเ้ก็เรียกว่าขึ้นทิดสีคำเดือนแปดเป็นวันตรงผมหรือว่าเป็นวันสินน้อยก็ว่าวันสินน้อยเริ่มจะเข้าภรรษา พ่อพุ่งนี้ก็แล้วว่าเป็นวันสิบห้าคำตามธรรมดาโลกญาติโยมก็ถือว่าวันสิบห้าคำนั่นแหละเป็นวันเข้าพรรษาคือเป็นเดือนแปดเพนแต่ที่ทํานับตาม การภระคติทานนับวันแรงค่ำหนึ่งเป็นวันเข้าพรรษาการเข้าพรรษานั่นมืยสองแบบแบบหนึ่งเรียกว่าต้นต้นก็เกิดวันแรมค่ำหนึ่งเดือนแปดขึ้นถ้ามันไม่ติดขัดกันก็มีการเลื่อนไปอีกเดือนหนึ่ง เขารรษาส่วนมากก็ไม่ค่อยได้ใช้ที่ใาย้อยู่จริงๆจริงๆก็ตัวแรมค่ำหนึ่งเดือนแต่เป็นวันอธิษฐานภรรษาการเข้าพรรษาอธิษฐานพรรษานั้นมี่มาตั้งแต่สมัยพระพุทธเจ้าของเรายังมีพระนชนีดอยู่ จนบัรนี้พระสงฆ์ในพุทธศาสนากันหนึ่งังเคารพนับถือพุทธบัญญัตินี้อยู่ตลอดเวลาแังนั้นเมื่อเข้าพรรษาเราทุกตนทุกคนให้ถือว่าเป็นกรณีที่พิเศษซึ่งพิเศษจากธรรมดาที่เราผ่านมา เมื่อพระสงฆ์ได้สร้งสัตยาธิฐานว่าจะอยู่ที่อาวาสนั้นตลอดไปมาสามเดือนเมื่ออธิฐานแล้วไม่ใช่เพียงอธิฐานตอนนั้นพุทธสาวกในทางพุทธศาสนานั้นทันเลงความเอยนอวันนาไม่ทอดถอย ในข้อวัดปฏิบัติต่างๆก็เข้มงวดกดขันตัวเองว่าเราจะต้องตั้งอยู่ในข้อวัดปฏิบัติส่วนอุบาสกอุบาสิกาก็ตั้งอยู่ในวันพระวันกีนวันที่สี่ค่ำวันที่ห้าค่า ตลอดไตลมากสามเดือนจะต้องมาปฏิบัติธรรมหรือผู้ใดจะเอาเป็นเจ็ดวันสิบห้าวันก็แล้วแต่กำลังศรัทธาของตัวเองแต่ไม่ใช่มาอยู่เพื่อเอาหน้าเอาตาเพื่อได้ชื่อเสียงไม่ใช่ เมื่อมาแล้วก็ตั้งอกตั้งใจปฏิบัติบูชาภาว น, นาตามคุณครูบาอาจารย์เจ้าทั้งหลายต่งตางๆที่ท่านทำมาโดยเฉพาะวันนี้ก็ให้เป็นวันเริ่มต้นเริ่มต้นอะไรเริ่มต้นในการนั่งขัดสมาธิ เ, เป็นการภาว น, นา ตลอไปลายมากสามเดือนการน้องขับสมาธินั้นให้เราฟังคำพูดคำสอนให้ดีคนส่วนมากก็มักจะคิดเอาง่ายๆว่าข้าพเจ้าแข่งขาไม่ดีนั่งขับสมาธิไม่ได้อันนี้ไม่ถูกต้องเราต้องคิดว่าพระพุทธเจ้าใ น, นพระองค์เป็น โลกเท่าพยามหากระสัพระองค์ยังนั่งได้ฉะตนั้นเราทุกคนก็ให้พากันนั่งการนั่งขับสมาพิั้นมีมาเมื่อพระพุท ธ, ธเจ้าของเรานั่งภาวนาใต้ลมไม่พอจึงได้ปรับสรูโพธิญาณเป็นพระพุท ธ, ธเจ้าขึ้น แล ว, ว่าพระพุธจเจ้าเคารพนับถือการนั่งขัดสมาธิานั้นตลอดพระองค์ดับขันเข้าสู่นาฎรูปพระพุตธเจ้าไม่มีการนั่งพับเทียดอย่างนั้นอย่างนี้ตั้งแต่พระองค์นั่งตรัสรูแล้วก็นั่งขัดสมาธิเรื่อยไป เธอแสดงความองอาจกล้าหาญของพระองค์ว่าพระองค์มีความองอาจกล้าหาญต่อสู้กับพิเรฒมารสังขารมานจนได้ชัยชนะที่ น, นี่เราทุกคนก็ให้ตั้งอกตั้งใจฝึกทัดตัวเองนั่งให้ได้เพื่อให้เอาขาซ้ายขึ้นมาทับขาขวาก่อน แล้วก็เอาขาขวาขึ้นมาทับขาซ้ายเ้ามือข้างขวาวางทับมือข้างซ้ายเท่านี้ก็เรียกว่า <c oughs> เป็นการนั่งขัดสมาธิในทางรูปร่างกายไม่ว่าหญิงชายเด็กหนุ่มแก่อ้างว่าอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ได้เราต้องนั่งให้ได้ มันจะตายก็ต้องยอมตายตามที่พระพุทธเจ้าสั่งสอนขนะนั้นไม่ปากันั่งปัดสมาธช เ, เริ่มเต็มเริ่มต้นในข้างใดเป็นข้างใต้ของเราใต้เขาข้างใต้ขึ้นมาตอน ข้างขวาอย่าเพื่อเอาขึ้นมาย่อออกไปก่อนแล้วจึงเอาข้างขวาขึ้นมาแต่ถ้าเรายังไม่เคยทำก็เป็นการลำบากคือว่ามั น, นยังไม่เคยเราต้องจำไว้ว่าเอาข้างซ้ายขึ้นมาทับข้าง แล้วก็เอาข้างขวาขึ้นมาพับมื้ไปเมื่อเส้นมันตึงอยู่กจับมือทั้งสองจับปลายเท้าดึงขึ้นมาจนมันยานไม่ขาดเมื่อไม่ขาดแล้วก็เอามือขวาทับมือไปตั้งตัวตั้งกายให้กลงว่าชั่วระยะหนึ่ง เราจะตั้งอกตั้งใจเคารพในการนั่งขัดสมาธิให้ได้แล้วก็ตั้งใจฝึกตัวเองไม่ใช่ผู้อื่นบอกเท่านั้นพอเราต้องฝึกตัวเองเมื่อพระพุทธเจ้าของเราได้ตรัสรู้ น, นเยาวาท่านสเสด็จออกบวช เป็นพะระฤาษีออกจากกรุงกระบินลัพัฒพ์าำว่ากรุงกระบินลัพัฒเมืองกรุงกระบินลัพัตนั้นทุกวันนี้ก็เรียกว่าอย่ในเขตใกล้เขาหิมาลัยเป็นภูเขาใหญ่ที่สุดในโลกเมื่อพระองค์เสด็จออกบันปภาตัวเป็นพะระฤาษีตน พระองคาวนาในแทบเขาหิมาลัยตั้งแต่ดินลากขึ้นไปถ้ำโขหาป่าดงพงเทอะไรจนยอดเขาหิมาลัยข้ามไปทุทิตทุทงภายในหกปีหรือว่าหกพรรษาล่วงไปแล้วการตรัปรู้เป็นพระพุทธเจ้าก็ยังไม่ถึงยังไม่เป็นไป พระองค์จึงได้เสด็จลงมาภาคกลางประเทศอินเดียที่นั้นมีมงคลคือว่าต้นไม้ที่พระพุทธเจ้าจะตรัสรูกคือต้นไมโพภายหลังนี้ก็เกิดพร้อมกันทีเดียวกับพระพุธธทธเจ้าทีนั้นแปลว่าต้นไมโพต้นนั้นก็ได้ สามสิบห้าปีอายุของพระพุทธเจ้าเราก็ได้สามสิบห้าปีเหตุการณ์มันดำนดำมบันดาลไปถึงเมื่อไปถึงเห็นล้มไม่ต้นไม่โพแล้วพระองค์ก็ะุึงในพระทัยา <c oughs> ตนน้นไม้ต้นนี้แหละดูที่ไหน ้วยสดงดงามทั้งใบกิ่งก้านสาขาลำต้นไม่มีที่ติดต้นไม้ที่อื่นยังติได้ว่าไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้แต่เมื่อพระองค์มาถึงต้นไม้โพแล้วไม่มีที่ติดพระองค์เกาเข้าก็ไถยว่าต้นไม้ต้นนี้แหละ <c oughs> จะเป็นต้นไม้ที่เรา จะได้ปรัชารู้เมื่อพระองค์ได้ตั้งใจอย่างนั้นแล้วก็มาระลึกถึงว่าทำไมหรอการบำเพ็ญบารมีของท่านก็เต็มส่ว น, ลวข แ, ขนาาแล้วว่าสี่อตสงขขยแสนมหาศั์แล้วก็ยังปรัชารู้ยังไม่ได้เลย ยังมีความระแวงสงสัยอยู่มาบัดนี้อะไรก็พร้อมคือว่าพร้อมอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเป็นวันเดือนหกเพนเดือนหกเพนพระดำเพนดวงคือเป็นเลิกที่สองแล้วเลิกที่แรกคือเมื่อพระองค์ประสูติ เกิดจากทับโฟ ท, ทรมานดาที่สวนลุมทินีเป็นสวนไม้ใหญ่ร่มเย็นดีในสมัยนี้ก็เระหว่าในป่า น, นี้เองก็ประสูตรเดือนหกเพ่นนับจากการประสูตรมาก็อายุ ได้สามสิบห้าปีก็มาถึงเดือนหกเขนอีกในคืนวันที่พระองค์จะได้ดตัดสู้นั้นเมื่อพระองค์มาลํำลึกในใจว่าเราจะประกอบก็ทมให้เป็นไปอย่างไรจึงจะสู้กับกิเลสราคะโทสะโมหะ อย่างละเอียดอยู่ภายในใจนี้ได้พระองค์ก็ได้ความว่าถ้าตั้งใจไม่มั่นคงสู้มันไม่ได้คำว่ากิเลสราคะโทสะโมหะในพระองค์ก็ตามในคนอื่นก็ตามมันเหมือนกัน หลงไหลโ ย, ยในลูกในเสียงในสิ่นรถโผทภะธรรมะาลมอันเก่านี่แหละไม่มีอะไรใหม่ถ้าหากว่าพระองค์จะทำใจย่อหย่อนทอถอยไม่กล้าหารไม่ละชีวิตลงไปแล้วไม่มีทางจะตรัสรู้ได้การละชีวิตนั้นจะต้องทำอย่างไร พระองค์จะได้ความว่าจะต้องนั่งขับสมาเ็ิใต้ลมไม้ต้นนี้ทิ้นหลังให้ต้นไม้โพนี่แหละแล้วก็ตั้งใจจะไม่ลุกจากที่นี้เป็นอันขาดถ้าหากว่ายังไม่ได้ตัดก็รู้เป็นพระพุทธเจ้ามันจะเป็นอย่างไรก็าตามเรายอมตายที่นี่ ถ้าตรัสรู้ไม่ได้ตรัสรู้ไม่ลกตายเอาตายสุย้พอพระองค์ตั้งสัตยาธิฐานอันนี้ลงไปในใ จ, จิตใจของพระองค์แล้วว่าแม่เลือดเนื้อเชื่อไขมันจะเหือดแห้งหายไปอย่างไรก็ตามพระองค์ท่านจะไม่ลบจากที่นี้เป็นอันขาด เว้นเสียแต่ได้ปรัตจะรู้เป็นพระพุทธเจ้าเท่านั้นจะให้มีชีวิตต่อไปถ้าปรัตไม่ได้คาลาคาตัางมาตั้งหกภงษาอย่างบวชแล้วจิตมันก็ยังไม่เป็นนักบวชเราตายเสียดีกว่าไม่ต้องอยู่ให้มีชีวิตต่อไปเพราะอะไรอะไร ภายนอกก็เลิกละหมดแล้วตั้งแต่สเสด็จออกบวชเป็นพระฤาษีไม่ได้มีความห่วงใยในลาบสักการะยาบเละลาบยศพนเพจน์ไม่เน่งเอาอะไรดีทางโลกแล้วจะเอาดีทางธรรมเพื่อตรัตสนลเป็นพระพุท ธ, ธเจ้าอย่างเดียว เมื่อพระองค์กลละชีวิตลงไปแล้วาตายจิตใจของพระองค์แปลว่าลุกขึ้นใจของพระองค์ก็ากตามใจคนเราหญิงชายสมัยนี้กหมือนกันถ้าไม่เอาจริงเอาจังแล้วใจมันจะลุกขึ้นไม่ได้ใจมันอ่อนแอทอดแท้เน็ตเหนื่อยเมื่อหิวก็คอยบ่นว่าอย่างนั้นอย่างนี้คือมันไม่ลุกขึ้น ในใจของมนุษย์เทวด า, าอินทร์ชมในโลกนี้ถ้าลุกขึ้นเป็นใจที่มีกำลังสุดท้ายเหมือนพระพุทธเจ้าลุกขึ้นภาวนาวัชุตาทีนี้ใจมันก็มีกำลังพลังงานมีอยู่อีกส่วนหนึ่งแต่ถ้าหากว่ายังไม่ถึงเวลามันลุกขึ้นมาไม่ได้ ลอยให้กิเลสความโกรธย่าดีใจบ้างลอยให้กิเลสความโลภความอยากได้ขึ้นมาย่ำดีใจบ้างลอยให้กิเลสลุ่มหลงมัวเมาอกิจชาัิถาดทับถมจิตใจบ้างเหมือนคนสัตว์สิ่งเดรัจฉ์เหมือนเทวดาอินชมในโลกเพราะปล่อยจิตอันนี้ให้มันทับถมอยู่ เกจที่มีกาลังความสา ม, มารถจริงๆลุกขึ้นมาไม่ได้ลหลงไหลอยู่ในโลกญิงโลก่าลหลงไหลอยู่ในเสียงญิงเสียงถาโลกเสียงจิงลดโทดพระธรรมลมจีเรศันเก่านี้แหละมานจีเลสเธอว่าจีเลสราคะโทสะโมหะ มันมีอยู่ในใจผู้ทุชนคนทั่วทางโลกมันหลอกลวงตัวเองอยู่ตลอดเวลาไม่ใช่คนอื่นหลอกลวงตัวเองในแหละจิตของตัวเองมันเป็นมารคือว่าคอยฆ่าคอยทำลายมารเนธันเกียบเหมือนอยังวัดคนเราที่เป็นศัตรูกันไม่เป็นมิตรเป็นข้าม ไปพบกันเข้าเมื่อใดเวลาใดก็รประหัตประหารถ้ำหันกันให้ตายไปข้างหนึ่งเป็นอยู่อย่างนี้นคําว่ามารคือกิเลสความโกรธมารคือกิเลสความโลภในจิตนี้มารคือกิเลสความหลงจะทําคนงามความดีติโนนตีเนี่นี่แหละตัวมาร ไม่ใช่คนอื่นเป็นมานจิตของตัวเองกิเลสลาะโทสะโมหะนี่แหละมันเป็นตัวมานเมื่อพระองค์ล้ำลึกอย่างนี้ได้ดีแล้วพระองค์ก็ว่าเราจะไม่หลงไปตามมานกิเลสนี้อีกต่อไปแล้วเราะพระองค์ตั้งใจนั่งภาวนาเอาตายสู้ ไม่มีใครบอกพระองค์บอกพระองค์เองว่าถ้าไม่เอาตายสู้มันสู้ไม่ได้ถ้าเอาตายสู้ล่ะสู้ได้ไหมได้อเมื่อพระองค์ตั้งใจอย่างนั้นแล้วจิตใจพระองค์ก็เรียวันไม่ใช่จิตใจเก่าไม่ใช่คนผู้เก่าแล้วเป็นคนใหม่เป็นจิตใจอันมั่นคงเชื่อแน่ในสมถะอาจจิตใจของพระองค์เอง เราทุกคนเวลานี้เต็มเวลาเข้าพรรษาเทศการเข้าพรรษาเต็มเวลาตั้งอกตั้งใจทุกคนจองละลึกถึงพระพุทธองค์ผู้มีความสามารถอาถาร ในการตัด ก, กิเลสราคะตัด ก, กิเลสโทสะตัด ก, กิเลสโมหะของพระองค์เองให้ขาดตะบันหั่นแหลกลงไปได้เพราะท่านตองใจแน่วแน่เด็ดขาดเห็นนั้นลาวทุกคนไม่ว่าดญิงชายเด็กหนุ่มแก่ก็ให้ตั้งใจลงไปให้เธอว่าเวลานี้พระพุทธองค์ มาปลอดเราทุกคนปลอดอยางไงปลอดว่าตั้งใจให้มันแน่วแน่มั่นคงไม่หลงไหลไปกับจิเลตราคตัญหาไม่หลงไหลไปตามจิเลตโทสะไม่พอใจอะไรก็ไม่ไม่ทำตามความไม่พอใจนะั้นละออกไปคำวันละออกไปต้องรู้แจ้ง จึงเลิกได้ละได้ถ้าโลกไม่แจ้งมันเลิกไม่ได้ละไม่ได้ก็จะเห็นว่าความโกรธเป็นอำนาจวาสนาใหญ่โตคนกลัวทั้งโลกอันนี้แหละเทวตัวมารตัวใหญ่ทีเดียวกิเลสลาคะกิเลสโทตโนหะเมื่อท่านย่นเข้ามาก็ามีสามตัวสามกองนี่แหละ ถ้าเอาชนะกองหนึ่งได้ตัวหนึ่งได้ฆ่าตัวหนึ่งได้ตัวที่สองที่สามก็ฆ่าได้ฆ่าด้วยสมถภาวนาฆ่าด้วยวิปัสนาภาวนาฆ่าด้วยกำลังจิตใจความสามารถอักขามในใจของคนเราทุกคนนั่นแหละพระพุทธองค์เมื่อลำลึกอย่างดีเนื่องภาวนา ท่านเลือกอุบายคือเวลานั้นพุทธโธก็ยังไม่เกิดพุทธโธก็พระองค์เองยังตกอยู่ในห่วงอยู่พระองค์จะเอาอุบายใดภาวนาด้วยอำนาจพุทธบา ร, รมีเพราะย่อมปรากฏขึ้นมาในจิตใจของพระองค์ท่านเองว่า อ น, นาปาลมหายใจเขา้าลมหายใจออกนี่แหละเป็นบทภาวนาให้เนสติทุกลมหายใจเขา้าทุกลมหายใจออกคำว่าสติหมายถึงจิตดวงผู้รู้ผู้ฟังอยู่นี่แหละตามโลตามเห็นซึ่งลมหายใจเข้าและออก ส่วนธาตุลมเข้าออกนั้นเป็นลมไม่ใช่จิตจิตนี่คือดวงผู้รู้ผู้ฟังอยู่เดี๋ยวนี้ขณะ น, นี้ได้ยินอยู่นี่แหละจิตนี้ไม่ต้องแสหาเป็นก้อนเป็นหน่วยเป็นสีสันวันนะแจ้งใสสว่างอย่างโน้นอย่างนี้ไม่มีจิตใจมันก็เหมือนลมเหมือนอากาศ แต่ว่าเมื่อมีสติความดะลึกได้วันนี้ลมเข้านี่ลมออกทุกลมหายใจเข้าออกละมัตระวังอยู่ในตัวในใจของพระองค์เต็มที่ในคืนวันนั้นก็ได้สวันได้ตรัสสลูกเป็นสัพพิตธธิเจ้าขึ้นในโลก เห็นแจ้งในหลักอนิจจังทุกขังอนัตตาเต็นโลกไม่ว่าโยที่ไหนไปที่ไหนวิปัสสนาญาณคือญาณรู้แจ้งเห็นจริงเกิดขึ้นในใจของสระองค์แต่จิตใจของพระสงฆ์สาวกยังไม่มียังไม่ได้เทเมื่อพระองค์ได้ตดรัสรู้แล นักบากเมืองไทยเราก็คิดได้ว่าหลังจากพระองค์ตัดสรูเดือนหกเพนก็มาถึงวันนีแหละ ว, วันก่อนเข้าภรรษาวันหนึ่งหรือว่าวันเดือนแดเพนเนะี่ยวันขึ้นสิบห้าค่ำข้อขันในฐานก็ตกลงว่าพระองค์เสด็จเดินทางจากนั่นมา มาโปรดปันจาวทีลือสีถังห้าพอดีมาถึงวันเดือนแปดเห็นเป็นวันเข้ า, าพรรษาทวีเทศให้ปันจาวทีลือศีถัง 5. ห้าวางกะแดงกิเลสราะโทสะโมหะ จะสู้ได้ก็ต้องทำใจเป็นมัิสิมาไม่ปลายให้จิตใจไปที่อื่นให้ใจอยู่เป็นดวงหนึ่งดวงเดียวพระองค์ก็ดชี้แจงจแสดงให้ปันกระบีฤาษีสังห้างเมื่อจบธรรมจักกับปวัตนาสดพระอัญญาโก น, นัญญะ เป็นองค์หัวหน้าเป็นประธานได้สำเร็จเป็นพระโสดาปติชนเป็นพระอริยบุคคลในพุทธศาสนาแปลว่าได้สำเร็จกองไขๆหมดละสกายาทิฏฐิละวิจิกิจถาละศีละพัตปาลามา ไม่ติดไม่ข้องอยู่ในสิ่งที่ตนทำมาแล้วทำอยู่รู้จักแก้ไขเรียกว่าแลสังโยสามประการได้จึงเมทะภิกษุสงเกิดขึ้นในพุทธศาสนาเป็นสององค์กับพระพุท ธ, ธเจ้าพระพุท ธ, ธเจ้าเลยเป็นผู้รตรัสรู้ ด้วยพระองค์เองพระัญญาโปลดัญญะณิเลวว่ะฟังธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าสอนไม่ให้จิตใจเอ็นเอียงไปหาความรักความชอบมัติมาคำจิตใจดวงผู้รู้อยู่ภายในจิตใจได้ความแกมแจ้งครับเจมรวนสี่องค์ ได้ความเชื่อความเลื่อมใสในการแสดงธรรมมจ ก, กับพวัตนาสูตรนั้นก็ปรากฏการว่าพระองค์แสดงธรรมมาจากกับพวัตนาสูตรจบลงไปที่เมืองพารานาสีแสดงว่าทั้งโลกสั่นสะเทือนหรือว่าแผ่นดินไหวก็ว่าได้ เพราะมีพระอริยสงเกิดขึ้นในพุทธศาสนารู้ข่าวข้าวตั้งแต่มนุษย์จนถึงภูมะเทวดาสวรรค์ขั้งหกทรงข่าวจนถึงพมโลกภวกระผมเรียกว่าสันสะเทือนโลกเมื่อพระองค์ จบพระธรรมเทศนาทรมาจากกับประวัฒนาสตรลงไปต่อมากันที่สองพระองค์ก็แดงขำท่ารูปหมายถึงตัวคนเราทุกคนนามหมายถึงดวงจิต ด, ดวงจิตผู้รู้อยู่ในตัวนั่นแหละรูปเดทนาสัญญาสังขารยิน ญ, ญาณ ขันทังห้านี่แหละพระองค์ยกขึ้นมาเทศนาสอนปันจวัคีแดดซักซ้อมไม่ใช่เทศไปเปล่าเมื่อพระองค์เทศขอ้อใดลงจบไปแต่ว่านั้นมันจริงไหมเป็นทุกข์หรือเป็นสุขพระองค์ซ้อมจนเข้าใจเมือ่อแสดางอนัตตาลาัคนณสดได้จบลงไปปันจวัคีทั้งห้า ทั้งอัญญาโกนนันยะนัญยะและทั้งสี่องก็ได้สำเร็จเป็นพระอรหันตาที่นาศบในพุทธศาสนาเมื่อเป็นพระอริยสงสารแล้วพระพุทธองค์ท่านก็ยังโลว่าสาวกของเราวุสิตังรมจริยางจบไปแล้ว จะต้องไปสอนธรรมที่ไหนก็ไม่มีคำเลิกด้วยกิเลสตามวัตถุ ก, กรรมจึงได้จัดสาวกขั่งห้าให้ไปคนละทิศองละทิ ศ, ละ ท, ศละทาเผยแร่ธรรมส่วนพระองค์ก็พระเดชปด้วยพระองค์องเดียวทำตามมันทำตามอะไร มันทําตามกิเลส ข, ของตัวเองกิเลสราคะของจันเมยัไนไงมันนับถือกิเลสราคะของมันตลอดเวลาจิตใจมนุษยะเลตัดทั้งหลายเพราะนั้นเราทุกคนจะทําทตามอํานาจกิเลสราคะอีกต่อไปกิเลสโทสะไม่พออกพอใจกับใครๆก็ไม่ให้มี ภาวนาแก้ไขใจของตัวเองครับมันลุกขึ้นทํางานจริงๆเอาจนจิตใจภายในมันตั้งขึ้นมาด้ไม่ปล่อยให้อานาจความง่วงเหาเหานอนเข้ามาขับถมจิตใจแล้วว่าจิตใจไม่แสงง่วงเหาเหานอนภาวนาลุกขึ้นแจ้งใสภายใน ความเกิดเป็นทุกอย่างนี้ความแก่เป็นทุกอย่างนี้ความเจ็บไข้ได้ย่าเป็นทุกอย่างนี้ความตายเป็นทุกอย่างนี้แจมแจ้งชัดเจนภายในใจของตัวเองแล้วก็ดูป่าดูใจของตัวเองดูความประพฤติของตัวเองว่าความประพฤติปฏิบัติของตัวเองมันเหมาะสมหรือไม่ เลิกละกิเลสราคะโทตโมหะในใจได้หรือไม่ถ้าไม่ได้ตั้งใจขึ้นมาพระพุทธเจ้าจทำละได้โดยวิธีใดก็โดยวิธีภาวนาลดเกจใจของตอนให้สงบลงนะไม่เป็นคนพูดมากปากเกียเแทนคนภาวนา จะภาวานาข้อใดอันใดได้ทางนั้นแหละพุทโธพุทโธจริงๆก็ได้บรรลุมรรคผลจนถึงนิพพานภาวานาตายตายคำเดียวก็บรรลุมรรคผลถึงนิพพานไม่ว่าธรรมะข้อไหนถ้าเอามาปฏิบัติภาวานาแยกแยะให้มันเข้าใจแจ่แจ้ง จนแรกและวปลดปยกิเลสราคะในจิตของตัวได้กิเลสโทสะในจิตได้กิเลสโมหะในจิตได้ได้บรรลุธรรมทางนั้นเนี่ธรรมมันอยู่ที่ไหนก็อยู่ที่กายวาจาจิตของคนเราทุกคนโรค ก, ก็คือโรคประทับน้ำคือจิตใจก็เป็นนมามะธรรม กายกับใจนี่แหละมันก็เป็นธรรมเอามาปฏิบัติภาวนาให้มันเกิดธรรมคือความสงบตั้งมัน่นเมื่อจิตใจดวงนี้มีความสงบตั้งมัน่นไม่หลงไหลไปตามอำ น, นาจีิเรายตัดเป็นจิตใจลกขึ้นจิตโลเลกว้างทิ้งตั้งแต่วันนี้คืนนี้เดี๋ยวนี้เป็นต้นไป ให้ะหากถามไปเอาไปเถิดเราไม่เกี่ยวแล้วเหมือนพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าทันว่าเราไม่เกี่ยวแล้วไม่กลับปล อ, อกหลอพวงมาอีกเอเนกถาสิฝังสาวลังท่านเตือนว่า เรามาเกิดมาตายอยู่ในลูกนามกายใจอันนี้นับในท่วนแล้วเจ้าช่างเลื่อนพาเรามาสร้างมาทำมาหลงลักหลงสางอยู่ไม่จบไม่สิ้นพระองค์เลิกตัดทีเดียวตัดทางตาคือไม่ให้ตากับลูกมาหลงไม่ให้เจ็ตหลงผู้หลงมันคือแอบอยู่ภายในจิตนั่นะ ตับทางหทางเสียงคือจิตนั่นแหละอันเก่าอะไรมันมาโลงตับทางเินเหม็นหอมตัดในเจตนนตับในรสอาหารการกินก็เพื่อไม่ให้เจ็ด์นั่นมาคล้องในรสอาหารการกินการกินทางหลายก็เป็นการเลี้ยงลูก ล่างกายเนื้อหนังมังสังอันนี้ไปชั่วระยะหนึ่งที่ยังไม่ถึงเวลาแตกดับตายเท่านั้นเองถ้ามันถึงเวลาจะตายแล้วเขาจะใครจะเอาอาหารบนสวรรค์มาให้ก็ไม่ยืนก็ตายได้เหมือนกันดังนั้นเก็บดวงผู้รู้ฟังธรรมอยู่เดี๋ยวนี้ขณะ น, นี้ให้ลุกขึ้นเต่มขึ้นภาวนาครับ พุโทโธครับมารณังเมขวิสติขึ้นมาเมิกอะไรมันต่อเนื่องแมันต่อเนื่องอยู่ในจิตจนอารมณ์แทรกแทรงต่างๆเกิดขึ้นมาอีกไม่ได้เลยหรือว่าเหมือนเก้าอี้มันมีตัวเดียวเมื่อเรานั่งอยู่แล้วไม่ยอมให้คนอื่นมานะั่งเราภาวนา น, นั่งอยู่นั้นะพุโทโธอยู่นั้น กี่แหลตลาคะพอตามโมหะมันจะมีเล็ดมีแดดขนาดไหนมันก็ไม่ม่กถ้าเราเอาจริงๆแต่ถ้าว่าผู้ปฏิบัติไม่ทำจริงไม่ปฏิบัติจริงไม่ว่าหญิงว่าชายมันก็ผีหลอกตัวเองอยู่ตั้งแต่เกิดจนตาย สีห่หลอกตัวเองมาตั้งแต่อเมจันนตถาอเมจัพบแล้วมาธาตุนี้มันก็ยังไม่ให้หลอกลวงอยู่นี่อีกตัวโกของโกตัวค่าของข่าตัวเราของเรามันของเราที่ไหนถามมันดูสิมันเจ็บปวดทุกขเวทนาเกิดขึ้นในแขนในขามันว่ามันเจ็บไหมธาตุินเขาไม่มีอะไรว่า ธาตุน้ำเขาไม่มงีอะไรว่าไม่มีปากเสียงธาตุไฟธาตุลมมันไม่ว่าอะไรใครเป็นผู้ว่าเจ็ดวงผู้โลไมู่้อยู่ภายในไรู้ภายนอกรู้คนอื่นอย่างโน้นอย่างนี้กิเลสลาคะโพสาโมหะในใจในตัวของเราเต็มตัวอยู่ทำไมไม่รู้ ทาว่ารู้ทำไมไม่ละมันเด็ดขาดลงไปมาตัวตายอยู่แค่นี้มันจะได้อะไรก็ได้จะมาตายมาเกิดอยู่อย่างนี้แะเกิดมาแล้วก็เป็นทุกข์เป็นลองแค่นั้นทุกลมหายใจเข้าออกเดี๋ยวนี้คณะนี้ยาให้จิตใจมันว่าเววิตกิการ ภาไในที่ใดๆไม่เอาเลิกละทิ้งหมดพุทธโธอยู่ในใจพุทโธพุทธะครับพุทธเจ้าเจ็ดมานกิเลสมันจะไปไหนมาไหนมันก็ไม่นอกจากไปหากิเลสราคะโทสะโมหะนั่นเองเราทุกคนอยาได้ดันไหวสั่นสะเทือนกองเตือนขึ้นลกขึ้น ไม่เห็นแก่หลักแกนอนไม่เห็นแก่กินไม่เห็นแก่ความโลเลต่างๆนั้นลนะ่ะตับะตินใจตัวเองลงไปให้มันแน่วแน่เด็ดรับจนไม่มีอารมณ์เรื่องราวใดๆในโลกจะมาชักจูงให้ใจของผู้ปฏิบัติวันไหวสันจะเตือนไปตามกิเลสด้า นั่นแหละพระธรรมพระวในัยพระปริกาสนาคาสอนของพระพุทธเจ้ามีโยในตัวในใจทุกทุกคนแต่ว่าจิตเราไม่ตั้งลงไปตรงนี้จึงได้มีความลุ่มหลงมัวเมาตอนนี้ไปให้เราทุกข์อนลบขึ้นยืนหยัดต่อสู้กิเรยในใจของตัวเองไม่ต้องไปสู้กับคนโนอนคนนี้ สู้ในใจเาวันาไม่ให้รับมีสติทุกเวลามีสมาธิจิตตั้งมั่นทุกเวลามีปัญญาเฉลียวฉลาดรอบลูในกองสังขารการเกิดยานอันวิเศษละกิเลสลาขะโทสะโมหะในจิตใจของตนให้หมดไป ส, สิ่นไป ดังสแสดงมาก็สมควรด้วยกาลเวลาเอวังก็มีด้วยกาลชนีสัพีติโยวิวัตชนุสัพพะโลโกโอวินาชตุมาเตภวัตะวันตรยายโยสุขีเทคาโุโภพะอิวาธนาชีริตนิจังวุธาสกจาิโนโน จตาโรธรรมาวทันติอายุวันโนสุขังอาลังนอมเดคลาภูมีคลากราหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นนาโอกาสนี้เป็นตนไปเป็นโอกาสฟังธรรม ร้อมกันนี้ก็ให้พากันนั่งสมาธิภาวนาไปด้วยเป็นการปฏิบัติบูบชาไปในตัวการนั่งสมาธินั้นให้พากันนั่งขัดสมาธิการนั่งขัดสมาธินี้นั่งได้ทั้งหญิงทั้งชาย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 พกลมหายใจเข้าออกด้วยเวลานี้จงทำละจิตใจของตนให้ผ่องใสสะอาดไม่ต้องไปห่วงหน้าห่วงหลังยีตกยิจารมใดๆไม่เอาทางนั้นคำว่าทำละใจให้ผ่องใสมันจะมีอารมณ์ใด ไม่ดูอยู่ในใจของเราก็ตามลอยวางเลิกละทิ้นไม่เอาอะไร <c oughs> เอาพุทธโธเอาคุณพระพุทธเจ้าเข้ามาไว้ในใจคนอื่นผู้อื่นไม่กล้องไปคิดถึงเขา เขาเกิดมาเองเขาเกิดไปเองเขาเจ็บไข้ได้ขยาิของเขาเองพ้นทุกส์ชดเขาก็ตายไปเองตัวเรานี้ก็เหมือนกันเกิดมาแล้วมันก็แต่ชราเจ็บไข้ได้ป่วยพ้นทุกสดก็ตาย มารณังเมภาวิสติพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าการภาวนานั้นถ้าหากว่าภาวนาบทใดพุทโธจิตใจไม่โยกก็ให้เอามารณกรรมฐานมาภาวนาดูคำว่ามารณกรรมฐานนั้นถ้าใจของผู้ใด รวมสงบระงับได้ด้วยการนึกถึงความตายจิตใจสบายที่สุดที่เราว่าละนั้นไม่ได้ปล่อยนี้ไม่ได้ห่วงนั้นห่วงนี่นั่นก็คือว่าบุคคลผู้นั้นไม่เด่นนึกถึงความตายที่จะมาถึงตอน ท่านึกถึงมรณะกรรมฐานมรณงเนคาวิสติจนจิตใจผู้โยในร่างกายนี้ทราบซึ้งซึงใจว่าเราต้องตายฮัลลความตายนั้นไม่ใช่ว่ามันจะปล่อยให้เราแต่ลาห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบไปหน้าจึงตายไม่มีความจริง บางคนเรายัางเด็กยังหนมโยก็ตายได้พ่อแม่ผู้บังเกิดเก้ายัางไม่ตายลูกหลานตายไปก่อนก็มีเยอะแยะแค่นั้นมาลณะธรรมฐานเนต้องเตือนใจให้ได้ตลอดเวลาพระพุทธเจ้าของเราเมื่อพระองค์ทรงปลดเวนยศัสตร์อยู่ พระองค์เตือนว่ากานความตายนี้จะได้ประมาทให้นึกให้เตือนใจของตนให้ได้ทุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออกว่าเราต้องตายแน่ๆเมื่อนึกได้ทุกลมหายใจว่าเราจะต้องตายบุคคลผู้นั้นจัดว่าเป็นผู้ไม่ประมาท แม่ยังจะไม่รู้ไม่เข้าใจในธรรมะปฏิบัติก็ตามถ้านึกถึงความตายได้ทุกลมหายใจจิตใจอันนั้นจะฟื้นฟูขึ้นมาได้เพราะมรณะกรรมฐานนี้เป็นสิ่งสำคัญถ้ามองเห็นความตายอยู่ใกล้ที่สุด ความเป็นทุกข์เป็นรอนกับสิ่งนั้นสิ่งนี้มันจะหายไปเองเพราะว่าคนเราเมื่อตายไปเอาอะไรไปไม่ได้แม่ตัวเรายัางไม่ตายก็าตามแต่คนอื่นเขาก็ตายให้เราเห็นคนที่มีอายุห้าสิบหกสิบไปหน้านั้นพ่อแม่ต้องตายไปแล้วไม่อยู่แล้ว พ่อแม่ท่านตายให้เราเห็นตายแล้วท่านก็เอาอะไรไปไม่ได้เลือกสวนไลนาวัตถุเข้าของมีอะไรอะไรก็ทิ้งไม่ห่วงไม่เอาไปด้วยเมื่อถึงคาคราวเราทุกคนตายมันก็เหมือนกัน เมื่อภาวนาจิตใจมันตกลงอย่างได้อะไระไรมันเลิกได้ละได้มนั่นความโกรธนะ่โกรธให้คนโน้นคนนี้อิทธาพยาบาทคนโน้นคนนี้ก็เพราะว่ามารณะกรรมฐานยังไม่ปรากฏแกจิตใจบุคคลผู้นั้น เจ็ดก็ประมาทเลินเล่อเข้าใจว่าตัวไม่แก่ตัวไม่เจ็บตัวไม่ตายแท้ที่จริงความตายนั้นมันตายไปโดยลำดับแต่สติสมาธิปัญญาของเรามันหากไม่ถีจึงมองไม่เห็นซึ่งความตาย ถ้าจิตมาสงบระงับตั้งมั่นเป็นสมาธิภาวนาในใจของเราจริงๆแล้วจะมองเห็นตลอดที่เดียวว่าเรานั่งก็นั่งรอวันตายเวลาตายบางคนนั่งโยกก็เกิดเป็นลมเป็นเล้งตายไปก็หนีหรือเวลาเรานอนก็คือว่านอนรอท่าความตาย เวลาคนเรายืนอยู่ก็คือว่ายืนรอความตายถ้าความตายมาถึงเขายืนอยู่ก็ล้มลงตายได้นับไม่ท้วนแ่นั้นมาลณะกรรมาฐานนี่พระองค์ไม่ให้ประมาทให้นึกมันนึกมันจเจริญบ่อยๆแล้วท่านยังอ้างองค์ของท่านเราตถาคตนะ อันความตายเนี่ไม่ได้หลงไม่ได้ลืมเลยลมเข้าไปกระองค์ท่านก็รู้ว่าเราตายได้นะเวลาลมเข้าไปไม่อยาประมาดเวลาลมออกมาท่านก็เตือนใจของท่านอยู่ทุกลมเข้าทุกลมออกว่าต้องตายนะ แม่จิตใจของท่านจะได้ตรัสรู้พระอนุตตรสรัมมาสัมโพธิยาแล้วกตา่างมรณะกรรมาฐานนี้พระองค์ไม่ได้หลงไม่ได้ลืมเพราะพระองค์มองทะลุปุ่องอยู่ว่ายังไงเสียมันก็ไม่คนบัณฑสไทยก็อายุได้แปดสิบปี บริบนก็อยู่ไม่ได้แล้วจำเป็นต้องแตกตายเป็นธรรมดาของสังขารทั้งหลายมีความไม่เที่ยงแท้แน่นอนอย่างนั้นแพราะนั้นเราทุกคนที่ภาวนาอยู่เริ่มภาวนาอยู่ตั้งใจจะภาวนาอยู่ก็ให้นึกถึงมรณะภัยคือความตายมีจ้อง และจิตใจคนเราจะไม่ประมาทจะได้รีบเร่งภาวนาเลิกละกิเลสความโกรธให้มันออกไปเลิกละกิเลสความโลภให้ออกไปเลิกละกิเลสความรุ่มหลงมัวเมาให้ออกไปไม่ให้จิตใจหลงไหลไปกับคนสัตว์วัตถุธาตุทั้งหลาย ืึอนชื่อว่ากิเลสกามวัตถุกามนั้นมันเป็นเครื่องล่อให้ใจมนษษุษย์ปุถุชนหลงติดอยู่ข้องอยู่ไม่มีทางที่จะแก้ไขได้ท่านเรปรียบอุปมาเหมือนอย่างว่าพวกมแมลงวันหรือมดมันเห็นน้ำอ้อยน้ำตาล อ, อดอยู่ไม่ได้ เห็นน้ำพึ่งน้ำป้อยน้ำตาลแล้วก็คาลงไปมุ่งหวังว่าจะได้กินน้ำป้อยน้ำตาลนั้นแท้ที่จริงมันยังไม่ได้ริงลงไปขามันก็จมลงไปตีมันก็จมลงไปเลยไปตายอยู่กับหายน้ำพึ่งน้ำป่อยน้ำตาลนั่นเองคนเราที่ไม่นึกไม่ภาวนา เตือนตนด้วยมรณะกรรมฐานก็เหมือนกับมแมลงวันหรือมดต่างๆไปตายในน้ำขิง น, น้ำอ้อยนั่นแหละนี่คือให้เราเตือนใจของเราว่าอย่าได้นิ่งนอนใจมรณะภัยคือความตายนี่มันใกล้เข้ามาขยับเข้ามาเรื่อย เราอย่าไปเข้าใจว่าคนอื่นจะเป็นที่พึ่งได้เรามีลูกเต่าล้านเหรนเวลาจะล่มจะตายลูกเต่าล้านเหลนเขาก็จะช่วยเราคิดอย่างนั้นเป็นคิดผิดไม่มีใครจะไปช่วยได้ถ้าหากว่าพญามัจจุราช ค, คือความตายมาถึงเข้าเมื่อใดเวลาใด เราทุกคนต้องไปคนเดียวไปจิตดวงเดียวมาถึงเมื่อเช้าก็ต้องตายเมื่อเช้ามาถึงเมื่อเที่ยงก็เด็กตายเมื่อเที่ยงมาถึงเมื่อค่ำก็ตายเมื่อค่ำมาถึงวัยเด็กวัยเล็กก็ตายเวลาหนะมาถึงวัยนมก็ตายเวลา้นมาถึงกลางวันก็ตายกลางวันมาถึงกลางคืนก็ตายกลางคืนแคนั้นไม่ควรประมา คนอื่นเขาประมาทมัวเมาช่างเขาจิตใจของเราผู้ภาวานานันสัญญ า, าได้ประมามาลนังเนผะวิสติมละนะมละนังก็ความตายเน่ะนะนก็เราเราคือตัวเราทุกคนนี่แหละมันต้องตายแน่ๆแล้วมันรออยู่เวลานะมันจะตายแค่ดเดียวเท่านั้นนะ ไม่มีใครรู้เพื่อรู้แล้วมันตายไปแล้วมาแล้วนะภัยคือความตายนี่แหละเป็นอุบายธรรมเรียกว่ายอดธรร ม, มก็ว่าได้ถ้าเรานึกอย่างอื่นจิตใจยังประมาทโมเมาก็ต้องให้ลึกถึงความตายเพราะความตายนี้ไม่มีทางผัดวันประกันชุงได้ เวลามันมาถึงเข้าตายได้ทุกลายตายได้ทุกลมหายใจเข้าสูดลมหายใจเข้าไปถ้าหากว่าสูดเข้าไปแล้วลมหายใจออกมาไม่ได้ติดขัดนั้นก็แสดงว่าตายละลมเข้าไปออกมาไม่ได้ก็ตายลมออกไปสูดเข้ามาไม่ได้ก็ตาย มารนังเมภาวิสติจงภากันนึกเกอนใจของตนไม่ให้จิตใจนิ่งนอนใจอยู่เจตใจจะเด็ดกรนขึ้นลบขึ้นว่าพระตรวจมนนั่งสมาธิอวานนาในคืนหนึ่งหนึ่งผ่านพ้นไปให้ใจเราสงบตั้งมั่นให้ได้ในวันหนึ่งหนึ่งผ่านพ้นไป ไม่ให้ใจเราประมาณให้ได้ภาวนาเนึกถึงพระพุทธธรรมผระสงค์มรณะกรรมฐานในใจของตนให้ได้จนจิตใจสงบตั้งมั่นนั่งก็าภาวนาเป็นภาวนายืนก็เป็นภาวนาเดินก็เป็นภาวนานอนอยู่ยังไม่หลับก็เป็นภาวนา หลับแล้วก็แล้วไปตื่นมาก็ภาวานาพุโทโธมรณะกรรมฐานต่อเมื่อผลผู้ปฏิบัติตั้งใจอยู่อย่างนี้ไม่้อแท้อ่อนแอนในหัวใจแน่แต่น้อยนั่นแหละจิตใจที่ง่วงเหงาเหานอนก็จะไม่มีเพราะว่าคนเหล่านั้น เมื่อความตายมาถึงเข้ายาเข้าใจว่าเราจะนอนหลับสบายเหมือนอยู่ดีสบายไม่ได้ถ้าผู้ใดเคยพยาบาลรักษาคนเจ็บคนไข้คนใกล้จะตายหรือจนถึงตายจะรู้ทีเดียวว่าความตายนั่นมันบังคับบัญชาได้ทุกอย่างทุกประตาย แม่ความอยากกลับอยากนอนมากมายขนาดไหนชั่วเวลาสูตรลมหายใจเข้าไปก็ได้หลับเฉียนน้อยหนึ่งชั่วลมหายใจนั้นหรือลมหายใจออกมาก็ได้หลับเฉียนนิดในชั่วลมหายใจออกน้อยนิดเดียว นั่นแหละมารณกรรมฐานไม่ใช่เป็นของว่าเล่นและทุกคนจะต้องผ่านมารณกรรมฐานด้วยกันท้งนั้นทางที่เดที่เหมาะที่สมนั้นเราต้องตั้งขึ้นมาไม่ให้จิตใจสมารมัวเมาคนเราที่จิตใจสมารมัวเมาแล้วย่อมไม่รู้สึกตัวว่าตนจะต้องตาย ประมาทเลินเลอเพ้อเลอไปเรื่อยยถ้านึกเห็นความตายแจ่มแจ้ ง, งชัดเจนอยู่ในใจอย่างนี้แล้วท่านผู้นั้นไม่นิ่งนอนใจ เ, ววเรียกว่ารีบเล่งข้ออัดข้อทำอันใดที่เราจะเอามานึกมาเจริญกรืรีบนึกรีบเจริญเข้า ไม่ให้มันลหลงไหลอยู่แค่กินแค่นอนสนุกเคหาตามภาษามนุษย์จงยกจิตใจของตอนให้สูงส่ง <c oughs> ไม่ให้จิตใจสังวลนวุ่นวายกับสิ่งใดๆมารนังเนภาวิสติพุทโธคุณภาพุติฆาเลิอกอยู่ในใจของเราให้ได้ จะนึกทำข้อใดอันใดก็ตามเมื่อนึกสิ่งหนึ่งจเจริญสิ่งหนึ่งมันก็เหมือนเหมือนกันถ้านึกจริงจรเจริญจริงๆจิตใจก็สงบประงรับตั้งมัน่นเป็นสมาธิภาวนาจริงๆรจิตใจที่ร้อนก็กลายเป็นจิตใจที่เย็นสาบาย ไม่เร่าร้อนด้วยกิเลสความโกรธกิเลสความโลภกิเลสความหลงในจิตใจอันมั่นคงหนักแน่ในธรรมปฏิบัติแห่นั่นการนึกถึงภาวนาเนี่ยแหละเป็นอุบายธรรมอันยอดเยี่ยมในทางพุทธศาสนา การนั่งสมาธิภาวานาให้ได้ทุกวันทุกคืนเท่าที่โอกาสจะอำนวยให้อันนี้เป็นบุญเป็นกุศลอันสำคัญเราอย่าไปคิดว่าเมื่อเรายังเด็กเข้าใจว่าเราคงไม่ตายง่ายง่ายอันนี้ก็เป็นความปรงมาเป็นเด็กก็รีบภาวานาเป็นหนุ่มก็รีบภาวานา ฟานซางคมกับภาวนาเข้ายาได้นิ่งนอนใจเพราะว่าไม่มีใครรู้ได้ว่าความตายจะมาถึงตนเมื่อใดเวลาใดไม่มีใครรู้โนและมันมาถึงเข้าแล้วก็ไม่มีทางหลบหลีก พยามัตุยาลาคือความตายมันก็เข็นฆ่าเอาจนตายไปจนได้นี่แหละผู้ปฏิบัติธรรมในทางพุทธศาสนาจงพากันตั้งอกตั้งใจปฏิบัติบูชาภาวนาเอาให้เต็มที่เต็มฐานก่อนมรณ ะ, ะไอคือความตายจะมาถึงเข้า บุคคลจะไปทำเมื่อเวลาเจ็ดไข้ได้ป่วยนั้นไม่ได้เพราะว่าทุกขเวทนามันแสนสาหัสถ้าเราไม่ฝึกหัดไว้ตั้งแต่เมื่ออยู่ดีสบายแล้วถึงเวลานั้นจะลุ่มหลงมัวเมามืดหมดและแต้นั่นเดียวนี้เวลานี้ยังมีชีวิตอยู่ยัก